พระพ like know, ุทธเจ้าเนี huh. ่ยนะอย่างที <sophistic es> ่เรารู้ว <man> ่าพระองค์คือผ <man> ู Alan ้ที่ตรัสรู้อร <man> ิยสัจโดยชอบโดยลําพังโดยพระองค์เองเนี่ยนะในแง่ทุกขสัจที่จะมาบัญญัติเป็นขันอายตนะธาต์อ่านะแบ่งบัญญัติเป็นอ่านะคิดง่ายๆก่อนแบ่งเป็นขันอายตนะธาต์สตัวแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยมีปัญญามาแตกขันอายตนะธาต์วันนี้เป็นกุศลนี้เป็นอกุศลนี้เป็นอัพยกถาเนี่ยนะแล้วยังมาแบ่งอีกว่าขันอายตนะธาต์เหล่านี้เนี่ยมาแบ่งว่า นี้ประกอบกับสุขเวทนานี้ประกอบกับทุกขเวทนานี้ประกอบกับอทุกขมสุขเวทนาหรืออุเบกขาเวทนาขันอ า, าญาตนาธาตเหล่านี้ INA, พระองค์มาแบกว่ามาแบ่งว่านี้เป็นกรรมนี้ผลของกรรมนี้ไม่ใช่กรรมไม่ใช่ผลของกรรมขันอ า, นะ า, าญาตนาธาตเหล่านี้พระองค์บอกนี้เป็นกิเลสนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่กิเลสแต่ก็เจือกับกิเลสและก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับกิเลสไม่เจือด้วยกิเลสไม่อยู่ในวิสัยของ กิเลสก็จำแนกนัยยะเป็นติกะมาติกาทุกะมาติกาแล้วมาจำแนกเป็นนัยยะต่างๆเนี่ยนะจำเนกเป็นขันอาตนะเป็นวิพังเป็นสังคหธาตุกถาเป็นผู้ที่มีธรรมะอย่างนี้ตั้งชื่อเป็นบุคคลแบบนั้นแบบนั้นแล้วจะแล้วก็ไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งความเห็นผิดอย่างไรเป็นกระถาวัตถุและจำแนกออกมาเป็นคู่คู่เนี่ยนะจำเนกเป็นคู่เป็นช่อเป็นพวงเนี่ยนะหรือจำเนกเป็นปัจจัยเป็นสังขารธรรมแต่ละอย่างเนี่ย สิ่งใดปรุงแต่งสิ่งใดสิ่งใดเป็นเหตุของสิ่งใดสิ่งใดเป็นผลของสิ่งใดและถามมากกว่าจะมีปัญญามาจำเนกอย่างนี้เมื่อไหร่ไม่สั่งสมบุญมาเพียงพอเนี่ยจำเนกสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แต่ทีนี้วิสัยของสาวกทั้งหลายไม่ได้เรียนมาเพื่อเพื่อจำเนกแบบนี้แต่เรียนว่าจะตรัสรู้ทาที่ควรตรัสรู้ได้อย่างไรเนี่ยนะคือคือจำนกในวิสัยในส่วนที่บุญของตนเช่จนจำแนกเป็นมหาพูด เออจำแนกดินน้ำลมไฟแล้วปฏิบัติเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้หรือปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดเนี่ยนะก็โอเคแหละสำคัญว่าคือทุกขารยาศัตร์เนี่ยโดยเอกเทศสมูทัยเนี่ยนะเรียกชื่อได้ไม่เยอะก็จริงแต่ว่าหมวดหมู่หรือว่าต้นรากมีไม่กี่รากถ้าถอนได้สองสามรากได้ก็เสร็จสิ้นแล้ว นิโรศะเข า, าเป็นอสังคตะธรรมเป็นธรรมที่สงบประณีตละเอียดและก็ลึกซึ้งแบบในธรร ม, มานุสติที่เราสวดสาธยายแต่มมักษัตริ์ที่เราต้องเจริญนี่สิอันนี้ที่จะเจริญแทนกันไม่ได้ฉลาดแทนกันได้ไหมไม่ได้คิดให้เป็นกุศลแทนกันได้ไหมไม่ได้พูดดีๆเผื่อกันได้ไหมไม่ได้เนี่ยเเจริญสรุปว่าเจริญมักแทนกันไม่ได้เมื่ออริยมักเจริญแทนกันไม่ได้ทำไง ก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวเมื่อเป็นเรื่องเฉพาะตัวแล้วพระพุทธเจ้าบอกช่วยให้คนที่คิดเฉพาะตัวได้เนี่ยนะนั่นเป็นความเพราะเป็นสัพพันยูของพระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้สัตว์ทั้งหลายกําหนดรู้ทุกละสมุทัยทำนิโรธให้แจ้งบอกว่าคนที่เห็นอริยสัตว์อย่างนี้เรียกว่าทัศนามรรคหรือเรียกว่าโสดาปติมรรค คนที่ทํากิจกําหนดจําเนกแยกแยะทําอย่างนี้ด้วยอนุภาพของสกทาคามิมักนี้ด้วยอนุภาพของอนาคามิมักนี้ด้วยอนุภาพของอรหัตตมักและนี้อรหัตตผลแบบประเภทมาจากสุขวิปสปศนี้เป็นอรหัตตผลประเภทมีวิชาสามนี้เป็น อ, อรหัตตผลกลุ่มอภินญาหกกลุ่มมีโมกแปดหรือกลุ่มวิชาแปดหรือกลุ่มอรหัตตผลแบบนี้เป็น มหาสาวกนี้เป็นอัคระสาวกนี้เป็นปฏิเจกิของพระพุทธเจ้กกานี้ผู้ที่เป็นสัพพันยูยพระพุทธเจ้าพระองค์จำแนกได้หมดจำเนกบอกแล้วก็สรุปว่าบอกวิธีการเนี่ยนะทีนี้พระองค์เนี่ยเป็นผู้ที่ตรัสรูอรร้อริยสัจจำแนกอริยสัจทุกแง่ทุกมุมอย่างละเอียดประณีตเนี่ยนะเรียกว่าโดยถ้อยคําก็แม้ใช้อักษรพยัญชนะหาประมาณไม่ได้แต่ถึงสัตว์ทั้งหลายไม่ปรารถนจาจะตรัสรู้ แบบยิ่งแบบเป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์ก็สอนว่าแค่ไหนบุคคลทั้งหลายควรจะได้โสดาปฏิมัติโสดาปฏิผลควรจะได้สกทาคามีมัติสกทาคามีผลพระองค์เอาสิ่งเหล่านั้นมาบอกตามสมควรแก่อุปนิสัยและแก่อัธยาศัยเนี่ยนะเขาบอกว่าเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้ามีปัญญาเนี่ยหาที่สุดไม่ได้เหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างในตอนกลางวันเนี่ยนะ ตาผู้ใดมองเห็นเท่าใดก็ต้องเห็นตามสมควรแก่ทัศนวิสัยของตนแต่แสงสว่างแห่งดวงอาทิตย์ก็ส่องหาประมาณหาที่สุดไม่ได้ฉันใดพระพุทธเจ้าเวลาที่พระองค์แสดงธรรมก็ฉันนั้นถ้าไม่อนุภาพแห่งสัพพันย์อยู่แล้วสอนอย่างนั้นได้อย่างไรนี่สิ่งเหล่านั้นเกิดจากการสั่งสมมาขณะเดียวกันเนี่ยนะอริยมรรคก็เป็นสิ่งที่เกิดจากการ สังสมเหมือนกันแล้วเราเนี่ยชีวิตประจำวันที่เป็นไปสังสมมักไหนบ้างก็มาดูว่าสังสมสัมมาทิฐิสุตมยะปัญญาจินตมยะปัญญาหรือภาวนามยะปัญญาสังสมบ่อยไหมสังสมสัมมาสังกัปปะเนี่ยเช่นสังสมเมตตาการุณาหรือสังสมการตรกการใถ่ควรคำสอนคิดถึงคำสอนบ่อยไหมสัมมาวาจา สัมมาวาจาเช่นกล่าวพุทธพจน์เนี่ยสั่งสมบ่อยไหมสัมมากรรมตระกูเนี่ยนะวิถีชีวิตเนี่ยน ะ, ะเป็นการกําหนดเส้นทางเพื่อการตรัสรู้อริยสัจในอนาคตต่อไปไหมอาชีพที่ประกอบเลี้ยงตนให้เป็นสุขเลี้ยงครอบครัวให้เป็นสุขไม่สร้างพิษภัยให้แก่ตัวเองในอนาคตนะไม่สร้างความเจ็บปวดให้ตัวเองในอนาคตนะแล้วสัมมาวายามะเพียรทําอะไรเนี่ยนะขยันทําอะไร ขยันเพื่อขยันดื่มยาพิษหรือว่าขยันดื่ม อ, อ ม, มะตะโอสถเนี่ยนั่นก็มีอยู่สองอย่างใช่ไหมขยันดื่มยาพิษก็ขยันทําบาปให้มากๆนั่นแหละขยันดื่มยาพิษอัน น, นสั่งสมพิษให้ตัวเองต่อไปกับขยันดื่มอ ม, มะตะโอสถเพื่อจะได้รับสิ่งที่ประกอบด้วยประโยชน์ต่อต่ อ, ตอไปในอนาคตแล้วอันหนึ่งก็คือสตินะคือความไม่ประมาทสติก็คือความไม่ประมาทชีวิตที่เราใช้อยู่เนี่ย อยู่ด้วยความไม่ประมาทใช่ไหมเนี่ยนะอยู่ด้วยความไม่ประมาทจริงๆหรือแล้วก็สมาธิเป็นยังไงพ้อมาทบทวนหมุนเวียนเปลี่ยนไปเนีย่ยนะอริยมรตมีองค์แปก็สะสมให้เติบโตยิ่งขึ้นสะสมองมค์มรตแต่ละองค์เนี่ยนะจากปริตะไปจากจิตดวงเล็กดวงน้อยใช้คำว่าดวงเล็กดวงน้อยเพราะอะไรเพราะเป็นปริตะ เล็กๆน้อยๆกุศลจิตเกิดหนึ่งนาทีมั่งสองนาทีมั่งครึ่งวินาทีมั่งแวบๆเข้ามาในความคิดมั่งอะไรมั่งังไน่าว่าวแวบๆเนี่ยนีนิดๆหน่อยๆนะแปลว่านนิดๆหน่อยๆก็เหมือนกับแสงหิ่งห้อยทั้งหลายเนี่ยนิดเกิดขึ้นมาสรัทธานิดหนึ่งศีลนิดหนึ่งสมถาวิปัสนาอย่างละนิดอย่างละหน่อยบางทีมันก็เกิดเบิกเพิ่มเป็นนาทีเลยใช่ไหมเกิดตั้งหนึ่งนาทีวันหนึ่งเกิดได้ตั้งสองครั้งยังไงนะได้สองนาทีละย่างไงนะแล้วเพิ่มยังไงมันเพิ่มอีีกกเเเจานน่ยป็ อาจากเป็นวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะแบ่งเวลาให้กุศลจิตตั้งครึ่งชั่วโมงอโยนะใช่ไหมถ้าเทียบกับเมื่อก่อนนี้บาปบริสุทธิ์ย่างไงนะก็เพิ่มเป็นบุญตั้งครึ่งชั่วโมงไอ้ทำไงให้เป็นบุญได้ตั้งชั่วโมงหนึ่งได้เป็นบุญตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยนะแล้วเป็นบุญที่เพิ่มบ่อยๆขึ้นและเพิ่มคุณภาพของบุญให้เติบโตยิ่งขึ้นเพิ่มคุณภาพขององค์มรกระแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวให้เจริญเติบโตขึ้น เพราะเมื่อเราจเจริญคุณธรรมที่ควรเจริญอย่างนี้เราก็ชื่อว่าได้กําหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ได้ละในสิ่งที่ควรละเพราะอะไรเพราะการละคือละมิจชามมัชสมุทัยสศัจจะคือมิจชามมัชตรงกันข้ามกับองมัชนั่นแหละเรียกว่ามิจชามมัชตรงกันข้ามกับอริยมัชนั่นแหละคือสมุทยาาัยสัจจะมัคสัาจานําไปสู่พระนิพพานสมุทัยสัจานําไปสู่สังสารวัฏสิ่งที่ตรงกันข้ามกันอย่างนี้แหละ ถ้าเจริญสัมมามักเท่าใดก็จะละมิจฉามักเท่านั้นถ้าตรัสรู้อริยสัจเท่าไรก็นําออกจากทุกเท่านั้นทีนี้ทบทวนว่าพระพุทธศาสนาเกิดจากคำว่าสัมมาสัมพุทโธถ้าไม่ใช่สัมมาสัมพุทโธเนี่ยนะสอนไม่ได้อรหัง้อาอรหันต์ก็มีทั้งอะไรสาวกอรหันต์ปัจเจกอรหันต์อรหันต์ที่สอนคำสอน บัญญัติพระไตรปิฎกออกมาได้สอนได้อย่างนั้นช่วยเหลือเกื้อกูลสรรพัพพัสสัตให้ตรัสรู้หาประมาณไม่ได้ต้องเป็นอรหันตประเภทอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็มีคำนำหน้าคือพระคาวะโตคนอื่นไม่มีเนีพระาตหันทั่วทั่วไปไม่มีคำว่าพระคาวะโตหรือสุขโตไม่มีหรือศาสถาเทวมนุษาหสานังหรือพุทโธเนี่ยโดดพุทโธพุทโธไม่ได้ พัวาไม่ได้เฉพาะเป็นชื่อจะพาะของพระพุทธเจ้าเป็นการตรัสรู้ที่ยิ่งใหญ่มากการตรัสรู้คือความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพรานพระองค์คือผู้ที่ตรัสรู้แล้วนําสัตว์เนี่ยออกจากทุกเคริวัดดวงตาของโลกว่างั้นผู้ที่มีจักษุในโลกสัมมาสัมพุทโหนี่นะเอกในหนึ่งก็คือผู้ที่มีดวงตาในโลกเพราะพระองค์มีมังสะจักษุตาปกติพระพุทธเจ้ามองเห็น หนึ่งโยธหรือประมาณสิบหกกิโลเมตรเป็นต้นโดยรอบทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งมองบนและมองลงล่างเนี่ยนะมองบนมองลงล่างพะลุแผ่นดินภูเขาเป็นต้นได้หมดเลยด้วยสายตาเนี่ยปกติตลอดระยะระมาหนึ่งโยรถามว่าถ้า ต, า, ตาทิพย์ของพระองค์เท่าที่พระองค์ประสงค์จะเห็นเรียกว่ามองพระองค์ต้องการจะดูฝุ่น ที่เรียกว่าลึกลงไปในแผ่นดินเป็นแสนกิโลเนี่ยนะลึกลงไปในแผ่นดินต้องการดูฝุ่นเม็ดนั้นน่ะพระองค์มองเห็นด้วยทิพยจักษุก็บอกอู้ย น, นี่เล็กน้อยพรหมเนี่ยนะพรหมมโลกเนี่ยนะที่คเครียกว่าไกลจากที่นี้ซึ่งไกลมากเลยแหละพระองค์อยากจมะมองดูพรหมมันก็มองเห็นได้ไม่ยากเย็นอะไรจั ก, กรวาลไหนพระองค์ก็มองเห็นได้ตาทิพยของพระองค์เนี่ยพระองค์จะเห็นได้เท่าที่พระองค์ทรงพระประสงค์ทีนี้ถามว่าแล้ว ธรรมะจักสุล่ะเขาเรียกว่าธรรมะยานาธรรมจักสุกของพระองค์นี่เห็นอะไรบ้างเห็นอริยสัตว์นี่นะแล้วก็ยานะคือตาปัญญาของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เห็นเนี่ยเรียกว่ายานทั้งที่ทเป็นยานที่ไม่รู้ทั้งธรรมทั้งที่เป็น อ, อะไรนะสัพพัญยูใช่ไหมรู้สัพพสิ่งยานที่พระองค์เยกเยะรู้สังคตะแลสังขตะยานที่ไม่ติดขัดในอดีตอนาคตแล้ว ปัจจุบันยานที่เรียกว่าเวสารชยานยานที่ทําให้พระองค์ถึงความแกล้วกล้ายานที่กําหนดรู้กําเนิดสีของสัตว์เนี่ยนะยานที่รู้คติห้าและกรรมที่นําไปสู่คติห้าพระองค์มีอาสาธนาญานิีกหประการเนี่ยนะพระองค์มีอะไรอีกยานที่เจีมแจ้งในโพชงเจ็ดยานที่กําหนดวิญญาณทิติเจยานที่กําหนดกรรมที่นําไปสู่วิญญาณทิติเจดเนี่ยนะยานที่รอบรู้ในโลกธรรมทั้ง8ดเนี่ยนะ แล้วก็ยามที่รอบรู้ในสัตตาว่าเก้ายามที่รอบรู้ในอะไรโมดสกในอายตนะทั้งปวงเนี่ยนะหรือในขันธ์าตุอายตนะโดยประการทั้งปวงไม่มีสิ่งใดที่พระพุทธเจ้าไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่ตรัสรู้เนี่ยนะมันพระองค์เนี่ยผู้ที่มีความสามารถอย่างนั้นเนี่ยมาแนะนําสั่งสอนเราบางคนก็บอกโอ้ยถ้าเรียนอย่างนี้เกินไปมากเนี่ยนะถ้าเกินไปพระพุทธเจ้าไม่สอน สิ่งใดที่ไม่เป็นประโยชน์แม้เล็กน้อยสิ่งนั้นเนี่ยนะพระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วที่โคนต้นโพคืออะไรที่มันรกรุงรังอะนะคิดง่ายๆว่าสิ่งใดที่มันรกรุงรังมันเกินไปมันยิ่งหรือมันหย่อนเนี่ยนะพระองค์ตัดออกไปหมดแล้วตอนที่เรียกว่าที่โคนต้นโพนะแปลว่าตอนนั้นอนะพระองค์แปรรูปทุกอย่างเนี่ยนะแปรรูปพระพุทธศาสนาเรียบร้อยเบ็ดเสร็จแล้วเพราะฉอะไรที่ไม่ดีไม่เหมาะสมไม่สมควรเนี่ย พระองค์ตัดทิ้งหมดแล้วเนี่ยนะพระองค์ทำแต่สิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์เท่านั้นงนั้นคำสอนของพระองค์นั้นจึงมีประโยชน์ทุกบททุกอักขระทุกสูตรเพราะอย่างที่ว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนว่าเป็นสาระชนเหล่านั้นจะไปสุคติโลกสวรรค์เนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสิ่งนั้นทุกๆนั้น่ะมีประโยชน์หมดเล ย, เ น, ยนะไม่มีขาดตกบกพร่องอันนี้เพราะเพราะอะไรเพราะความเป็นสัพพันย์อยู่ของ พระองค์แต่คาสอนทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยนะก็ในพระไตรปิฎกจริงๆก็เป็นมัคคสัจจะนะเป็นคําสอนเพื่อให้เราเจริญอริยมรรคพูดองค์รวมเลยพระวินัยปิฎกก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตตะและสัมมาอาชีวะเนี่ยนะพระสุตตันตปิฎกคือสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิอภิธรรมปิฎกก็คือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกัปปะก็คือการจําแนกอะไรจาแนกอริยมรรคหรือจําแนกศีลสมาธิแล้วก็ ปัญญานั่นเองเนี่ยนะจะถ้าสรุปแล้วอภิธรรมปิดกกสตันแต่ปิด ก, อดดกเอาเข้าไปพระวินัยปิดกกสตันแต่ปิดกคือสมถะอภิธรรมปิดกก็คือปัญญาแต่พระพุทธเจ้าทั้งหลายจะแทรกทั้งสมถะและวิปัสนาเคียงคู่กันไปแม้แต่อภิธรรมปิดกยังสอนศีลเนยเช่นสิกขาบทวิพังสิกขาบทวิพังเนี่ยสอนเรื่องศีลทั้งนั้นแม้กระทั่งคำพีมหาปัจฐานก็ยังสอนเรื่อง ศีลเนี่ยนะเจตนาในปานาติบาตเป็นต้นหรือเจตนาที่เว้นจากปาณาติบาตเจตนาที่เป็นกุศลในการารักษากุศลกรรมบดเป็นต้นพระองค์ก็สอนแมก้กระทั่งนู่นคัมภีรเล่มสุดท้ายก็ยังสอนว่างั้นเออตั้งแต่เล่มแรกมันจะคละเคล้าทั้งศีลทั้งสมาธิและปัญญาสรุปว่าทุกคําสอนนั้นมีรสเดียวคือวิมุตติรสพระองค์ไตรตรองใคร่ ค, ครวนด้วยปัญญาเสร็จสิ้นแล้ว โปรงสอนวันนี้จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อเกื้อกูลแก่เธอทั้งหลายเนี่ยนะพันธโททั้งหมดที่โปรองทํำนั้นจึงทาด้วยกรุณาเนี่ยนะทำด้วยแล้วก็ไม่ใช่กรุณาแบบคนงูคนเขา่าแต่เรียกว่าทำแบบคนที่มีปัญญาที่ประเสริฐสูงสุดทีนี้ในฐานะพวกเรามาศึกษาคําสอนเนี่ยนะแล้วเราควรจะรับอะไรจากพระองค์บางคนเนี่ยพอฟังเข้ามาอย่างนี้โอ้ยมันอะไรมันเยอะแยะไปหมดเลย แค่ฟังยังมึนแล้วว่างนั้นจะเอาตกลงจะเอาให้ทําอะไรบ้างนาะก็คิดบอกว่าง่ายๆคิดง่ายๆก็คือว่าธรรมะทั้งหมดนั้นเนี่ยที่พระพุทธเจ้าสอนก็คือเพื่อให้เราได้อริยทรัพย์อริยทรัพย์เนี่ยแบ่งออกมาทางกายวาจาและใจถ้าจะคิดนะว่าถ้าเราจะรับมรดกของพุทธเจ้ารับด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจรับมรดกสามถวานเนี่ยรับมรดกด้วยกายวาจาด้วยรับอริยทรัพย์อันนี้ด้วย อนุภาพแห่งศีลมรดกด้วยใจก็คือศรัทธาเป็นต้นนะรับมรดกทางใจก็คือศรัทธารับมรดกคือสมถาวิปัสนารับมรดกคือสติปัญญานสัมมาปาัญญาอิทธิบาทอินทรีย์พระละโภชงและองค์มัดทํายังไงจะให้คุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นใน ใ, นใจการที่เราสร้างสมเจริญคุณธรรมทั้งหลายเหล่านี้ให้เกิดขึ้นใน ใ, นใจนั่นแหละเรียกว่ารับมรดกของพระพุทธเจ้าการศึกษาเพื่อรับอริยธรรมทั้งหลายเหล่านี้จาก พระองค์เรียกว่าธรรมธาญาติเนี่ยนะเป็นเป็นธรรมธาญาติผู้รับอริยท ร, รัพย์ของพระองค์เนี่ยนะรับกายสุจริตรับวจีสุจริตรับมโนสุจริตแต่สําคัญว่าเราคิดว่ากายสุจริตเป็นทรัพย์ไหมมันสำคัญตรงนั้นถ้าเราไม่คิดว่าสุจริตธรรมทั้งหลายเป็นทรัพย์เข้ามาพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้มรดกอะไรเราไว้เลยเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะมรดกของพระพุทธเจ้าเป็นสุจริต คือพระองค์เนี่ยนะให้ทานรักษาศีลเจริญเนกธรรมะพระเจริญปัญญาภาพเพียรด้วยวิริยะมีคันติมีสาจาัจจะอธิฐานประกอบไปด้วยเมตตาสุดท้ายพระองค์มีอุเบกขาเนี่ยนะสร้างสมบุญบารมีทั้ง10จนได้ตรัสรูป้เป็นพระพุทธเจ้าถามว่าพระองค์จะให้อะไรอย่างอื่นนอกจากสิ่งที่พระองค์สั่งสมไหม